วันอาทิตย์ที่สิพฤศจิกายนพศพาเป็นการมายาทรสูตรในสังยุตติกายเรื่องปฏิจจสมบบาทโดยอาจารย์สุเทพโพธิสัทธาท่านสาธารณผู้ไรธรมที่เคารพระสูตรวันนี้มีชื่อเดียวกันกับสูตรข่าวที่แล้วท่านจึงเรียกว่าเป็นสูตรที่สองโดยใช้คำวัตุติยะใส่เข้าไปข้างหน้าแปลว่าที่สอง อสุตตวตาก็คือความเป็นผู้ไม่ได้สดับซึ่งเป็นชื่อของความเป็นปุตติชนหรืออาการของปุตติชนปุตติชนนั้นมีสองอย่างกาลยาณปุตติชนมิได้หมายเอาตามความหมายในสูตรนี้ท่านหมายเอาอันท่ปุตติชนคือปุตติชนผู้มือบอดมิได้กระทําเหตุ ที่เป็นปัจจัยให้เกิดการบรรลุธรรมโดยลำดับคือการฟังธรรมดังได้กล่าวแล้วว่าการฟังธรรมนั้นเป็นอาทิเป็นเบื้องต้นของการประพฤติปรมาจันทร์ที่สำคัญไม่ฟังไม่ได้ฟังมากก็เป็นปัจจัยมากแต่พร้อมกันนั้นเราก็ต้องรู้ว่ากิเลสก็อาจจะมีโอกาสเข้ามาอาศัยได้มากได้ด้วยเช่นเดียวกัน แต่โดยฐานะของการฟังธรรมเองเป็นเบื้องต้นของพระมรรจันทร์เป็นที่อาศัยของความประพฤติควรในทุกๆอย่างคนที่ไม่ได้ฟังธรรมนั้นก็จะขาดตรงนี้ไปเราเองเป็นกระยาณปุถุชนคือปุถุชนที่เป็นคนดีได้มีการฟังธรรมได้ถือว่าเป็นผู้ที่อยู่ในกระบวนการที่จะได้เป็นอริยะต่อไปก็ไม่ได้หมายว่าจะต้องเป็นอริยะในชาตินี้วันนี้พรุ่งนี้ อาจจะเป็นอรยะาบุคคลในพพหน้าชาติหน้าอีกกี่ชาติก็แล้วแต่แต่ว่าเมื่อได้เข้าอยู่ในกระบวนการนี้แล้วก็นับว่าเป็นผู้ได้สดัตย์อุทุชนผู้ไม่ชอบการฟังธรรมการไม่ชอบการฟังธรรมนั้นตัดกระแสทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความเจริญในกุศลโดยเพพาะอย่างยิ่งกุศลเบื้องสูงได้ไม่มีส่วนเหลือเลยคิดแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดาย สำหรับผู้ที่ไม่ชอบการฟังธรรมหรือผู้ที่ลังเกียจการฟังธรรมหรือไม่มีโอกาสได้สดับตรัพธรรมพระสูตรนี้ท่านจึงเรียกด้วยอำนาจอาการของอันทะูตุชนว่าอัศสุตตะวตาพระผู้มีพระฟังแสดงพระสูตรนี้ในที่เดียวกันกันกบสูตรที่แล้วคือพระเจตวันวิหารใกล้เมืองสาวัตถี พระผู้มีพภาพได้ตรัสแกพิสูจทั้งหลายว่าบุทุชนผู้มิได้สดักจะพึงเบื่อหน่ายบ้างคลายกำหนัดบ้างหลุดพ้นบ้างในกายอันเป็นที่ประชุมแห่งมหาภูตากทั้งสี่นี้ข้อนี้เพราะเหตุไรอันนี้ก็จะได้ทรงแสดงเหตุต่อไปว่าบุทุชนนั้นเบื่อร่างกายได้ที่พพุทธเจ้าตรัสว่าเบื่อร่างกายได้เนี่ย ผมก็ขออธิบายเพิ่มเติมในบางส่วนที่ไม่ได้พูดถึงว่าการเบื่อร่างกายที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสนี้ท่านหมายเอาการเบื่ออย่างผู้ทุชนทั่วไปที่เบื่อกันเป็นแบบเบื้องต่ําเช่นเราเบื่อในความแก่เบื่อในความมีโรคเบื่อในความพิการเบื่อในความไม่สมดุลแห่งธาตุในร่างกายอย่างที่เราเบื่อเบื่อตัวเอง ด้วยอารมณ์บางอย่างแต่เราเองนั้นไม่ได้เบื่อโดยประกันทั้งปวงก็เบื่อในบางครั้งในบางความรู้สึกซึ่งเป็นความรู้สึกชั้นหยาบและเบื่อด้วยกิเลสบุตรชนทั่วไปมันจะเบื่อได้กิเลสนอกเสียจากบุตรชนบางประเภทบุตรชนบางประเภทนั้นก็อย่างเช่นพวกทำอรูปฌานพวกนี้ก็จะเบื่อร่างกายด้วยกุศลในระดับนั้น ประสงค์จะไปเกิดในภูมิที่ไม่มีร่างกายหรือคนที่ได้ทํากรรมบางสิ่งบางอย่างไว้กว่า จ, จะเบื่อร่างกายด้วยอํานาจของกรรมเช่นคนที่ทํากรรมปานาติบาตฆ่าสัตว์ไว้ก็จะทําให้เกิดความรู้สึกเบื่อตัวเองอยากจะฆ่าตัวตายเหมือนอย่างที่ ถ้าเราได้พบได้เห็นในหมู่คนที่ฆ่าตัวตายด้วยความรู้สึกอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างสมัยพุทธกาลที่ได้เคยเอ่ยถึงก็คือพวกพระที่ฆ่าตัวตายห้าร้อยก็เบื่อด้วยอำนาจของกรรมปานาธิบาต ท, ที่ได้ทำไว้หรือคนที่ไม่ได้ทำกรรมปานาธิบาตแต่ว่าได้ไปพูดดูถูกดูหมิ่นคนอื่นให้เขาน้อยอกน้อยใจเกลียดกัวตัวเองเกิดปมด้อย ก็จะเป็นความรู้สึกที่ทำให้ตัวเองเนี่ยเบื่อตัวเองเกลียดตัวเองเป็นความรู้สึกเชิงกลมด้อยกมด้อยเกิดขึ้นด้วยอำนาจของกรรมพวกนี้ก็จะไม่ภาคภูมิใจในตัวเองด้วยอำนาจโอมาณนะในที่ได้กล่าวมานั้นพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงความเบื่อของปุถุชนด้วยความรู้สึกเบื่ออย่างใดก็ได้ ความต้องการจะหลุดพ้นจากร่างกายที่ตัวเองเบื่อโดยความประพฤติโดยอาการปฏิปทาเพื่อความพ้นโดยอาการอย่างใดก็ได้แม้แต่าการฆ่าตัวตายก็ตรัสไม่ได้ตรัสว่าดีหรือไม่ดีไม่ได้ตรัสในเชิงวิจารณ์แต่จะได้ตรัสเชิงเรียกเคียงไปหาเหตุผลที่เป็นจุดมุ่งหมายที่จะทรงแสดงไปถึงภายหลัง ได้ทรงตรัสถึงเหตุไว้ก่อนว่าเพราะอะไรคนจึงเบื่ออาที่ทรงตรัสเหตุตรงนี้เป็นการตรัสเหตุอย่างเหตุใกล้แต่ที่ผมพูดถึงเหตุที่ทําให้คนเบื่อตัวเองเนี่ยเป็นการกล่าวถึงเหตุอื่นๆเหตุลึกเละเหตุลึกเช่นเหตุกรรมก็ถือเป็นเหตุลึกหรือเหตุคือกิเลสที่ ตัวเองผูกพันร่างกายและร่างกายไม่เป็นอย่างที่กิเลสต้องการจะให้เป็นก็เกิดการเบื่อเช่นเราไม่ต้องการพิการร่างกายมาพิการเราก็เบื่อร่างกายที่พิการเราไม่ต้องการจะแกะช่ชราร่างกายมาแกชา่ชราเราก็เบื่อร่างกายที่แก่ชราซึ่งเป็นไม่ไม่เป็นไปตามความต้องการาท่านตรัสถึงเหตุใกล้ว่าเหตุไกลนี่จะด้วยอะไรก็ตาม แต่สิ่งที่เป็นเหตุที่เห็นอยู่ปรากฏอยู่เป็นที่ปาลบของความเบื่ออยู่เดี๋ยวนั้นก็คือความที่ร่างกายของเรานั้นไม่คงที่ไม่คงที่ยางไม่ว่าจะเป็นความแก่ความตายเนี่ยนะก็ถือเป็นเรื่องความไม่คงที่หรือความพิการก็เป็นความไม่คงที่ความไม่ปลอดภัยในชีวิตก็เป็นความไม่คงที่ จะเป็นความไม่คงที่ที่เห็นอยู่โดยนั้นหรือว่านึกคิดไปเองก็ตามไอ้นึกคิดไปเองเนี่ยจะได้อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยมาช่วยทําให้คิดอย่างที่เราพูดกันถึงการที่เราไปนั่งอยู่ริมฝั่งน้ําแล้วก็ได้ข้อสังเกตว่าแม่น้ําสายต่างๆในบ้านเมืองของเราเนี่ยก็ให้อารมณ์ต่างๆกันแม่น้ําบางสายก็ให้อารมณ์ รู้สึกสดชื่นกับปรี่กับเพ่าล่นะฮะอย่างเช่นว่าถ้าท่านไปแถวคลองที่ใกล้ๆบ้านผมแถวตลิ่งจันทร์คลองบางเจือกหนังจริงสมัยก่อนเนี่ยนะนองเรือทั้งยาวผ่านรู้สึกสดชื่นมากเห็นสาราผ่านน้ำเห็นบ้านคนท้องตินเห็นต้นหมากล่าไมาส้สดชื่นโดยผ่านไปใช่ไหมครับหรือไปแถวคลองบางกลางเนี่ยบางบางครวเลยไปบางกลาง ก็เคยไปนั่งดูก็รู้สึกว่าดีสดชื่นนี่น้ําเป็นรปลืลลอกไปหลายรอบสอข้างฝังเขียวขจีผู้คนก็ไม่มากนักไปแต่แม่น้นํานครใจสีอะไรก็ดูดีแต่มีแม่น้ําอยู่สายหนึ่งที่พูดและท่านจะต้องคงจะรู้สึกไรกันไม่ว่าท่านจะเห็นทางสื่อมวลชนหรือท่านไปนั่งอยู่ที่นั่นเองมันไม่ได้เป็นอย่างที่เร่งก็ลองไ ม, ไม่ถึงเร่งที่ก็ลองถึงแม่น้ํำไปหนึ่งดำมา คือแม่น้ําบางปะกงบางเอินเนี่ยผมแต่ไปนั่งดูมาแล้วก็ไปได้ความรู้สึกเป็นแม่น้ำเห็นความเศร้าส้อยเห็นแล้วมันเกิดความรู้สึกก็เบือเบ่ อ, อ, อ, อ, อหน่ายชีวิตแล้วก็ใครที่คิดจะฆ่าตัวตายอย่าไปนั่งอี่างแม่น้ําบางปะกงอะ่ะนั่งแล้วต้องทําให้ความคิดอยากจะฆ่าตัวตายเนี่ยรุนแรงขึ้นทันทีทั้งที่ว่าเออ สองข้างทางเนี่ยก็มีต้นจากต้นลายเกี่ยวกระจีนะฮะ อ, อย่างไว้นั่งอยู่หน้าวัดอานิตารามที่เป็นวัดปฏิบัตินะฮะแล้วก็แม่น้ําเนี่ยไหลเอื่อยแล้วไม่มีคลื่นไม่มีรองแม่น้ําราบเรียบและยิ่งไปตอนเย็นเย็นใกล้พระธิดากระดงใกล้จากคําลงแล้วหนอะเหมือนเพลงที่ก็าร้องอะนะมันไม่ได้สดชื่นเหมือนเพลงเขาบารณนาเลยมันทําให้ใจเราถึงมันเสื่อมซึมหม่เหี่ยว สำหรับคนที่คิดจะฆ่าตัวตาแต่ว่าถ้าเป็นคนที่มีอนิจจสัญญานิบิตาสัญญาเนี่ยก็จะหักเอามาเป็นความรู้สึกในทางกุลศลจิตได้ดีครับลองไปที่ไหนใครบ้านอยู่แถวๆริมฝั่งแม่น้ำมางทองอออย่างนั้นเลเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าไม่เป็นเลยตายแสดงว่าต้องหาให้คนอื่นไปช่วยดูแลนะ ลองไปนั่งดูด้วว่ามีความรู้สึกอย่างนี้หรือเปล่าไปตอนโปเบย์โปรเบย์นะหรือจะไปดูทั้งวันก็ได้เหลืออยู่แล้ววันแล้วไม่เป็นเนี่ยก็คือในนี้เราก็ก็คุยกันตามภาษาคนที่ดูแล้วความรู้สึกใกล้ๆกันว่าเอ๊ะนี่คนแถวนั้นเขาสาบแช่งว้เปล่ากันท่าแม่คนอื่นไปซื้อที่แถวนั้นแถวนั้นเลยว่าจยเจริญไปเจริญแถวจะโรนวรีแถวยาลองเลยยองแถวประตูอะไรไปหมดอ่ะ แต่แถวนั้นในที่จริงน่าจะเจริญมานานแล้วก็ยังไม่สู้จะจ ะ, จะเจริญเท่าที่ควรนะเพราะว่ามันก็ไม่ไกละเราก็คุยกันเ ล, เลื่อยๆนะนะไม่รู้เป็นตราแจ้งกันท่าว่รแบบไอ้คนต่างถินมาเห็นแล้วใจเศ้าซอยหันหลังหนีแล้วไม่กล้ามาอยู่ก็ไม่รู้ไนะก็ผมอยากย่าฝากว่าคนอื่นลองไปดูๆหนะ่อยว่ามีความรู้สึกตรงกันไหม นี่ผมว่าผมจะไปเที่ยวนั่งตามริมแม่น้ําเนี่ยแต่ละแห่งมันมีมีไวเบเชั่นต่างกันนะนะับผูดทำภาษาภาษากับภาษาบางสำนะักเออมันให้ความรู้สึกต่างๆกันแต่แม่น้ําสายนี้ตั้งใจเห็นทางทีวีแหละครับมันมีความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆก็นี่เอาเป็นว่าผมพูดครงเดียวแล้วกันนะไม่ถามให้ลงมัติเดี๋ยวท่านลอกกันเดี๋ยวจะหาแม่ไปดูถูกแม่น้ําบางประกง ส่ะพวกเราบางคนก็อาจจะมีที่อยู่ริมฝั่งแม่น้าบางปะกงนะมาวันนี้บางก็มีไม่มีไม่ได้มาบางก็มีก็อยู่ที่นั่นก็สงบดีแต่พูดถึงว่าคนที่จ ะ, จะเจริญวิปัสสนาเนี่ยไปอยู่ตรงนั้นดีครับนะไปอยู่ตรงนั้นดีมากหรือคนที่มีลักษณะมัวเมาในชีวิตถ้าหากว่ามันเป็นอย่างที่ผมว่าจริงเนี่ยนะไปอยู่ที่นั่นดี ใจจะได้สลดลงมาบ้างแต่คนที่จิตใจท้อแท้เบื่อหน่ายท้อถอยคิดจ้าตัวตายอะอย่าได้ไปอยู่ที่นั่นไปดังขาดพวกนี้ก็เป็นเรื่องของความรู้สึกเบื่อหน่ายในลักษณะหนึง่งคล้ายๆกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสถึงเนี่ยซึ่งไอ้ความเบื่อเนี่ยมันจะเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงหรือความสูญเสียนะ เสียิ่งที่มีหรือสูญเสียสิ่งที่จะพึงได้แล้วก็ไม่ได้ก็ตามก็จะทําให้เกิดอาการเบื่อก็ตกลงว่าร่างกายเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเบื่อเพราะความเปลี่ยนแปลงเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่เห็นได้ผู้ทุชนยืนเบื่อท่านก็ตรัสว่าแต่ว่าจิตเนี่ยผู้ทุชนไม่อาจเบื่อเพราะมองไม่เห็นความเปลี่ยนแปลง จึงเกิดความยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนเป็ น, ปนที่พึ่งพาอาศัยได้จิตอยู่ในร่างกายนี้ร่างกายเบื่อได้แต่ว่าจิตใจเราก็ยังรู้สึกว่าเราจะเกาะเกี่ยวต่อ ต, อ, ตอไปนี่เป็นการให้เหตุผลก่อนเท่านั้นของพระพุทธเจ้าคล้ายกับสูตรที่แล้วได้ทรงตรัสต่อไปว่าทั้งความเบื่อทั้งสองอย่างของปุถุชนเนี่ยปุถุชนนั้นเบื่อในสิ่งที่ อ้างว่าเห็นง่ายแล้วก็ไม่เบื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นความเกิดดับทั้งที่ไอ้สิ่งที่เห็นง่ายนี่ยมันเกิดดับช้าสิ่งที่เห็นยากคือจิตเนี่ยมันมีความเกิดดับเร็วถ้าจะเบื่อในควรจะเบื่อจิตมากกว่าเพราะว่าจิตนั้นเกิดดับเร็วร่างกายนั้นเกิดดับช้านี่เป็นการให้เหตุผลแบบทางธรรมะบนสมมุติฐานว่าถ้าจะฟึงเบื่อในสิ่งสองอย่างนี้ นี่ก็คล้ายสูตรทีแล้วผมจะข้ามไปถึงประเด็นที่สี่ที่ของสูตรเนะนี่ยนะที่รองตรัสว่าอริยสาวกผู้ได้สดับย่อมใส่ใจด้วยดีโดยแยบคายถึงปฏิจจสมุปบาทในกายและจิตที่ตถาคตกล่าวมาแล้วนั้นเพราะเหตุดังนี้เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงมีเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้น เมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับเราเราหยุดไว้แค่นี้ก่อนย้อนกลับไปดูว่าย่อมใส่ใจด้วยดีถึงปฏิจจสมุปบาทข้อนี้ท่านหมายเอาการกําหนดนามรูปคือกายและจิตนี่แหละโดยในย่าของปฏิจจสมุปบาทนามรูปที่ภาพวิกษุ นำมาเจริญวิปัสนาในรูปแบบของปฏิจจสมุปบาทบอกปฏิจจสมุปบาทนี่ก็คือวิปัสนาปูมันหนึ่งซึ่งเนื้อหาโดยย่อที่สุดก็คือนามและรูปกายและจิตนั่นเองคำว่าใส่ใจด้วยดีโ ด, โดยแยบคายเนี่ยก็หมายถึงการเจริญวิปัสนาตั้งแต่เบื้องต้นเลยเดียวตั้งแต่ลงมือทาจนกระทั่งไปเห็นความเกิดความดับ นี้มีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเนี่ยนะก็เห็นความเกิดดับความเกิดดับของปฏิจจสมาบาทิหรือของวิปัสนาตัวอื่นที่ตัดอย่างนี้เนี่ยนะครับก็จะมีเป็นเป็นสองอย่างอย่างหนึ่งความเกิดดับแบบเหตุปัจจัยทําให้เกิดคือเกิดดับในลักษณะที่เรียกว่าเกิดดับอยู่ในสังสารวัฏเกิดดับเกิดดับนั่นแหละและอีกอย่างหนึ่ง หมายถึงความเกิดดับแบบดับเด็ดขาดไปการที่บุคคลจะทำให้นามรูปดับเด็ดขาดไม่สืบต่อต่อไปอีกก็จะต้องเห็นความเกิดดับแบบเป็นขณะขาะและเหตุที่การเห็นความเกิดดับเป็นขณะขณะทำให้เกิดความดับเด็ดขาดได้ก็เพราะ กิเลสที่บุคคลเมื่อเห็นความเกิดดับแล้วกิเลสนั้นไม่เกิดก็คือต้องดับกิเลสก่อนนั่นเองนะดับกิเลสแล้วก็อย่างอื่นก็ดับเด็ดขาดและกิเลสจะดับได้ก็ต้องเห็นความเกิดดับของนามของรูปกิเลสจึงเกิดเกิเลสจึงดับไปได้เมื่อกิเลสถูกดับนามรูปนั้นก็ถูก ทำให้ดับไปโดยสนิทไม่ต้องเว้นไว้แต่เกิดอีกต่อไปนั่นเองต่อไปได้รดับถึงเนื้อความที่ต่างไปจากสูตรก่อนตรัสว่าเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นปัจจัยแห่งสุขเวทนาจึงเกิดสุขเวทนาเพราะผัสสะอันเป็นปัจจัยแห่งสุขเวทนานั้นดับไปสุขเวทนาที่เกิด เพราะอาศัยปัสสาะอันเป็นปัจจัยแห่งทุกขเวทนาจึงสงบไปเพราะอาศัยปัสสาะอันเป็นปัจจัยแห่งทุกขเวทนาจึงเกิดทุกขเวทนาขึ้นเพราะปัสสาะอันเป็นปัจจัยแห่งทุกขเวทนานั้นดับไปทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยปัสสาะอันเป็นปัจจัยแห่งทุกขเวทนานั้นจึงดับจึงสงบไป เพราะอาศัยปัจ ส, สอันเป็นปัจจัยแห่งเวทนาที่ไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์จึงเกิดอาทุกขะมสุขเวทนาขึ้นเพราะปัจสอันเป็นปัจจัยแห่งอาทุกขมสุขเวทนาดับไปอาทุกขะมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยปัจสถานเป็นปัจจัยแห่งอทุกขะมสุขเวทนาจึงดับไปจึงสงบไปไม้สองอันครูดสีกันจึงเกิดไออุ่น เกิดความร้อนแต่ถ้าแยกไม้ทั้งสองอันนั้นแหลกออกเคลียจากกันไออุ่นซึ่งเกิดจากการคูดสีนั้นก็ดับไปสงบไปแม้ฉันได้ก็ฉะนั้นเหมือนกันนี้ก็เปรียบเทียบว่าภาษาทําให้เกิดเวทนาภาษาเป็นไม่ใช่ให้เกิดเวทนาอย่างที่เรานึกเป็นภาพกราวก็คือว่าการกระทบถูกต้องอย่างธรรมดาทําให้เกิดความรู้สึกขึ้น แต่ว่าในในคัมภีเนี่ยท่นานอธิบายเป็นแบบสภาวะโดยวิธีจิตเนี่นี่ก็อาจจะพูดโดยวิธีจิตว่าในจักรสุทาบาละวิธีถ้าหากว่าเรานึกถึงภาพของวิธีจิตออกเนี่ยก็จะกำหนดได้ง่ายว่าในขณะที่ตาเห็นรูป ในจักรสูปัสสาที่เกิดขึ้นเมื่อรูปมกระทบประสาตาจักรสุวิญญาณเกิดขึ้นเนี่ยนะผัสสะในจักสสรสุวิญญาณเป็นแต่อุเบกขาเวทนาเท่านั้นใช่ไหมในหลักระวิรัมและเมื่อเสียมกระทบหูผัสสะในโสตวิญญาณก็เป็นแต่อุเบกขาเวทนาเท่านั้นในจมูกก็เป็นแต่อุเบกขาเวทนาเท่านั้น ในลิ้นก็เป็นอุเบกขาเวทนาเท่านั้นในกายเป็นสุขหรือเป็นทุกข์อย่างใดอย่างหนึง่งสําหรับในใจก็เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นอุเบกขาได้หมดทีนี้ท่านก็บอกว่าไอ้ภาษาที่พูดกันอย่างในทางโลกโลกเนี่ยนะครับมันก็หมายถึงไออาการกระเขาพูดไปอย่างโลกโลกไปอย่างนั้นแต่พอมาถึงธรรมะเนี่ย เขาพูดแล้วมีสภาวะว่าหมายถึงความรู้สึกกระทบเป็นหลักสําคัญแต่ระสูตรว่าเวลาพูดถึงกายกระทบบางทีก็พูดอิงไปถึงอาการกระทบแต่หมายเอาความรู้สึกกระทบเป็นหลักคือปัจสเจตสิกที่เราเรียกว่าเป็นตัวรับกระทบไปแล้พูดเป็นอย่างความหมายของเราแต่ว่าพูดเป็นอย่างภาษาพระจริงๆนะหมายถึงตัวกระทบจริงอยู่อารมณ์เนี่ยมากระทบะไปแต่ไอ้กระทบ เป็นว่าลูกกระทบตาจากสุวิยานเกิดจากสุวิยาณถือว่าเป็นตัวกระทบอันเรียกว่าเป็นตัวกระทบไอไอเราเรียกว่าเป็นตัวรับกระทบมันตั้งเหมือนกระถูกลูกมามาสัมผัสมาตีมากระตุ้นไอตัวนี้แหละเป็นตัวผัสสะ ท, ที่หมายเอาในทางสภาวะธรรมมีเป็นตัวเป็นตนตอยู่มิใช่เป็นอาการทีนี้ ผมกำลังจะว่าให้เห็นเป็นภาพวิถีจิตสำหรับคนที่คุณคุนกับพระพิธรรมว่าพอรูปารมณ์กระทบจักษุประสาทเนี่ยนะรจักษุวิ ญ, ญญาณเกิดขึ้นตัวผัสสนั้นเป็นปัจจัยแก่อุเบกขาเวทนาโดยตาจาตาปัจจัยพูดอย่างหลักวิชานะเมื่อจักษุวิญญาณดับไป ผัสสะในจักสุวิญญาณ น, นั้นเป็นปัจจัยแก่อุเบขาเวทนาสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาในชวนะโดยความเป็นปกตูบณิตยาปัจจัยนี่พูดแบบอัตกะาแกในสูตรนี้เอาหมดเลยเอาหมดเลยหมายถึงว่าผัสสะที่อยู่ในจักสุวิญญาณ เป็นสาชาตาปัจจัยแก่จักรสุวิญญาณแก่เวทนาในนั้นคืออุเบกขาเวทนาด้วยและเมื่อจักรสุวิญญาณดับไปแล้วภาษาเองก็ดับไปด้วยวิถีจิตได้เกิดขึ้นโดยลําดับจนกรทั้งมาถึงชวนาจิตพอมาถึงชวนาจิตเนี่ยเวทนาบางครั้งก็เป็นโสมนัสเวทนาหรือตัวเวทนานะบางครั้งก็เป็นอุเบกขาเวทนาบางครั้งก็เป็น พุทเวทนาตรงนี้ชื่อว่าผัสสะในจัตุวิญญาณเป็นปักกตูปนิสยาปจจัยแกเวทนาในชวนะทั้งในวิถีนั้นและในวิถีหลังจากนั้นก็ได้ด้วยตรงนี้เมื่อเราย้อนกลับมาดูประสบการณ์เราในทางการรับรู้เนี่ยเวลาเราพูดว่าเมื่อตาเห็นรูปแล้วก็มีความรู้สึกเจ็บใจ หรือเมื่อตาเห็นรูปมีความรู้สึกชอบใจสบายใจเมื่อตาเห็นรูปแล้วก็เกิดความรู้สึกเฉยไม่รู้สึกอะไรในทางาดีใจหรือหรือเสียใจที่เราพูดอย่างเนี้หมายเอากรณนีผัสสะเป็นปัจจัยแก่ชวนานผัสสะในจักรสุ ญ, ญา์เป็นปัจจัยโดยปกตูปนิเสียปัจัยแก่ชวนะจิตและโลกเนี่ยก็พูดกันในแง่นี้ เท่านั้นพรมันเห็นง่ายมันเป็นปัจจัยข้ามขณะกันได้เยอะข้ามหลายวันยังได้เลยใช่ไหมครับว่าเห็นตั้งเจ็ดวันแล้วอย่างปลื้มใจไม่หายเห็นตั้งปีหนึ่งแล้วอย่างเจ็บใจไม่หายหรือเห็นไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งไม่รู้สึกอะไรเลยหรือว่าทีแรกๆ ก, ก็เห็นแล้วเกิดความรู้สึกว่าชอบ ว่าไม่ชอบเห็นนานๆเข้าก็กลายเป็นความรู้สึกชินชาเฉยเฉยไปก็เป็นไปได้หลายแบบด้วยกันทีนี้ตรงนี้อ่ะคําว่าท่าผัดสะดับเนี่ยนะฮะที่ท่านตรัสตรงนี้เช่เช่นถ้าจักสู่สัมผัสดับเวทนาที่เกิดเพราะจักสู่สัมผัสก็ดับไปเนี่ยท่านหมายเอาอย่างไรในสองกรณีนี้กรณีหนึ่งก็คือคนตาบอดจักสู่สัมผัสดับ ใช่มคนตาไม่บอดไฟดับพลึกเอาอะไรมาบาังตาเสียปิดตาเสียเอาลูปที่อยากจะเห็นนั้นออกไปเสียจากสู่สัมผัสในลูปนั้นก็ไม่มีไม่เหลือเอาเป็นว่าเราพูดถึงกรณีตาบอดว่าเมื่อตาบอดภาษาทางตามไม่มีเวทนาที่เกิดเพราะตาถูกต้องอารมณ์ก็ไม่มี ไปด้วยพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงตรัดเอากรณีนี้นะทรงตรัสหมายเอากรณีการดับด้วยความพยายามด้วยความพยายามทางการปฏิบัติธรรมคาว่าการดับด้วยความพยายามทางการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะอผมขออธิบายกระยักลงไปเมื่อตาเราเห็นรูปเอาเนี่ยเอาชัดๆเราเกิดโทมนัสเพราะตาเห็นรูป เป็นไปได้อยู่จุ่เมื่อเชื่อวันใช่หรือไม่เกิดความโสมนัส ด, ด้วยกิเลสเพราะตาเห็นรูปเกิดได้จุ่เมื่อเชื่อวันเกิดอุเบกขาอย่างอายานุเบกขาอุเบกขาแบบกิเลสเพราะตาเห็นรูปชาวนะเป็นบุญเป็นบาปโลภะโทสะโมหะก็เป็นไปได้จุ่เมื่อเชื่อวันทีนี้การที่ ท่านสอนเรื่องการ ล, าาละปัสาะอะไรแต่หลายตัวนี้นะครับต่างตาทางหูตางจมูกเนี่ยท่านหมายถึงการละเวทนาอันเนื่องดยกิเลส ก, ก่อนเวทนาที่เกิดด้วยกิเลสว่าเราเห็นรูปแล้วเนี่ยไอ้ตอนจักสุวิ ญ, ญญาณเกิดเห็นรูปมันจะเกิดเวทนาขุเบิกานั่นก็เป็นธรรมชาติมันไม่เกี่ยวกับเกิดกิเลสจักสุวิ ญ, ญญาณไม่ต้องไปละตัวมันเอง แต่ว่าเมื่อตาเราเห็นรูปเกิดถูกต้องอารมณ์แล้วเวทนาถูกจํากัดไม่ให้เกิดกิเลสอย่างนั้นชื่อว่าละเวทนาและชื่อว่า <c oughs> ละพลังของภาษาวผูกปัสสาวะนัตตูทําลายพลังไม่ให้เป็นปัใจจัยให้เกิดเวทนาที่เป็นกิเลสและเมื่อบุคคลละกิเลสได้โดยิ้นเชิงอย่างกรณีเป็นพระอรหันต ผัสสะตาต า, ตาก็ไม่มีเวทนาอะไรๆที่เกิดขึ้นจากผัสสะตาต า, ตาก็เป็นอนันว่าดับสิ้นไม่มีเหลืออันนั้นก็เรียกว่าเป็นการละในส่วนวิบากการจะละในส่วนวิบากได้เนี่ยต้องละในส่วนกิเลสก่อนเมื่อละกิเลสแล้วทําให้ละวิบากได้แทนที่จะบอกว่าละกรรมจึงละวิบากเนี่ยในในเชิงการละสงสารไ ม, ไม่ไม่พูดวังเงินนะ ละกิเลสทําให้กรรมไม่ได้ช่องสร้างวิบัติก็เป็นอันว่าอนุปาจิเศสในตานนี้ยเป็นเรื่องเรื่องธรรมะชั้นสูงภูมิธรรมชั้นสูงอธิบายอย่างนี้นะครับและในตอนท้ายของสูตรได้ตรัสว่าดูกรพิสูจน์ทั้งหลายที่ท้าวผูดได้ระดับอตรงนี้ตรัสไวในฐานะเป็นอาธิพรมจันทร์หัวหน้าของอาธิพรมจันทร์ก่อนลงมือปฏิบัติธรรม มาพิจารณาอยู่อย่างนี้คําว่ามาพิจารณาอยู่อย่างนี้คือจะเรนวิปัสนาย่อมเบื่อหน่อยเป็นชื่อของวิปัสนาญาณชั้นเลยญาณห้าไปคําว่าย่อมพิจารณาอยู่ถ้ากําหนดเป็นเกณฑ์วิปัสนาเนี่ยนะเอาเอาเป็นเกณฑ์วิปัสนาญาณเนี่ยก็เอายาณหนึ่งถึงญาณห้า ยานหนึ่งถึงยานหพิจารณานั้นได้ข้อเท็จจริงคําว่าเบื่อหน่ายเนี่ยยานหกขึ้นไปเป็นความรู้สึกต่อนามต่อรูปพระพุทธเจ้าจะตรัสในพระสูตรด้วยคําใดคําหนึ่งไม่ตรัสลำดับยานไปได้หมดทุกที่ที่คําว่าเบื่อหน่ายเนี่ยก็จะเห็นว่าเมื่อคู่ปฏิบัติกําหนดจเจริญ พิปัสนาเน้นอยู่ที่ผัสสะกับเวทนาตรงนี้ส่งครับเป็นเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานได้เวทนานุปัสนาสติปัฏฐานเนื่องกันระหว่างผัสสะกับเวทนาเนี่นะก็เบื่อหน่ายในเวทนาไม่ไม่ได้แปลว่าเวทนาอย่างเดียวนะครับก็อย่างอื่นด้วยซึงเราจะทําแบบไหนแบบไหนก็จะกระทบไปถึงสภาวธรรมตัวอื่นแต่ท่านจะพูดถึงตัวหลักๆ นพอเวลาเบื่อหน่ายในผัสสะเนี่ยก็เบื่อหน่ายในเวทนาเบื่อหน่ายในสัญญาเบื่อหน่ายสังขารแล้วก็เบื่อหน่ายในวิญญาณก็คือโดยย่อก็คือนามรูปที่มีผัสสะเป็นจุดปฏิบัติภาคตน ขอให้กําหนดหมายว่าคําว่าเบื่อหน่ายเจะหมายถึงวิปัสนาตั้งแต่ยานหกขึ้นไปเพราะว่ายานหกขึ้นไปเนี่ยเห็นความเกิดดักอยู่ด้วยพิจารณาอยู่ด้วยนั่นแหละแต่มีความรู้สึกที่เป็นทัศนคติต่อ น, นามต่อรูปนั้นว่าเห็นเป็นภยัยเห็นเป็นโทษเห็นเป็นของเบื่อหน่ายเหล่าเนี้ยนะฮะเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกําหนับ คำว่าคลายกำหนัดตรงนี้ที่บาลีใช้คำวิรากะเนี่ยนะครับเป็นชื่อของมักมักขยานเพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นที่บาลีใช้คำบวีมุด ต, ตรงนี้เป็นชื่อของผลรยานก็คือมักเกิดผลจึงเกิดต่อ เมื่อหลุดพ้นก็เกิดยานอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วตรงนี้เป็นชื่อของปัจเจเวขณะยานปัจเจเวขณะยานที่กำหนดพิจารณาว่าเราเป็นผู้หลุดพ้นแล้วจากกิเลสโดยที่เชิงหรือบางส่วนเหลือบางส่วนก็ดีหลุดพ้นด้วยองค์มรรค มีนิพพานเป็นอารมณ์นี่เรียกว่าในนี้เรียกว่ามียานอย่างรู้คือป็นชื่อปัจเจเวกันะยานเนี่ยที่ว่าวิปัสสนาญาณมาจากพุทธพจน์เนี่ ย, า ย, าาายก็มาลักษณะอย่างนี้ย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วหมายถึงการเกิดอีกไม่มี นามลูกที่ปรากฏขึ้นอีกไม่มีในพบใหม่ชาติใหม่ต่อไปเพราะตัดพลังพลังตัวนี้หมดแล้วก็ไม่มีอีกต่อไปพรรมอาจารย์อยู่จบแล้วหมายถึงการเจริญมรดๆไม่ต้องแล้วหมายถึงมรรคปรรมาจารย์กิจที่ควรทําทําเสร็จแล้วก็คือกิจของการเจริญมรดัต่างๆกิจละกิเลส กิจกำหนดรู้ทุกอยแล้วก็กิดอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่มีกิจอะไรอื่นจากนี้ไม่ต้องทำอีกแล้วก็รู้อย่างนี้รู้ดังนี้แหละนี่ก็เป็นธรรมชาติของพระอริยจะรู้ไปถึงอ น, น, นาคตเลยว่าตัวเองนี่มาทำเท่าไหรแล้วเป็นเนี่ยจะเป็นอะไรไม่เป็นอย่างไร รู้ชัดๆทุกคนเหมือนกันหมดไม่ต้องถามใครสำหรับตรงนี้ก็เป็นอั้นว่าพระสูตรเนี่ยาำความในสูตรก่อนซะเยอะมีข้อผิดแปลกบางตอนท้ายไม่มากนะ ก, ก็ขอสิ้นสุดยุติสำหรับการบรรยายพระสูตรวันนี้เพียงเท่านี้